ทำแก่ง่อมย่อมทุลักษ์ทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลํา ม, มากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลัก์ทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืด หูหนวกสะดวกแท้ตรองให้แน่แต่เนินเน่นๆรีบเดินเอ่ยท่านพุทธทาสพิกขุ การเจริญสติเนี่ยเราต้องทำอยู่เนืองทําบ่อยๆทําเรื่อยๆแต่ไม่ต้องรีบเร่งนะไม่ต้องรีบทําแต่เราต้องทําเรื่อยๆทุกเวลาทุกวันถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับชีวิตเป็นหน้าที่ของเราจะเรียกว่าเป็นอาหารใจก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเจริญสติเนี่ย ถ้าเราได้สร้างที่พึ่งกับปิติใจของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยวทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถจะช่วงจริงไปได้ขอให้เรามีสติคลองกายคลองใจรักษากายรักษาใจาเอาไว้เราจะปลอดภยัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากความทุกจากเหตุทั้งความทุกก็คือ เจกิเลสนี่เองความโลภความโกรธความหลงเขาไม่ได้เกิดที่ไหนหรอกครับเขาเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเพราะว่าเราไม่มียามไม่มีผู้รักษาความปลอดภัยเอาไว้ดูแลใจของเราใจเราไม่มีเจ้าของจึงถูกกิเลสเนี่ยเปรตเสมือนสารพิษเข้าครอบงำจิตใจเราสารพิษเมื่อเข้าสู่จิตใจเราแล้วเนี่ย ใจเรามันก็เป็นทุกข์เหมือนร่างกายเราอะทารทานอาหารที่เป็นพิษเป็นภยัยร่างกายเราก็จะมีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บสอ่อแทกมากมายมีความจะไม่ได้ป่วยเพราะว่าสารพิษที่เข้ามาทางอาหารหรือทางลมหายใจเป็นต้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดสติคอยคุ้มครองดูแลแล้วก็นใจเราก็จะรับเอาสารพิษนันเข้ามา สู่จิตสู่ใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสะติอยู่เนืองเพื่อป้องกันสารพิษไม่เขา้าสู่จิตใจของเราสารพิษก็คือเรื่องของความอยากอยากได้ต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่มันผุดขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยเราเรายึดมั่นถือมั่นยึดติดในอารมณ์ความอยากเโดยในสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่มันจําเป็นต้องมีขึ้นในตัวเราอย่างเช่น โรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครต้องการโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครต้องการเลยนะแต่บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ากายของเราเนี่ยย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่อยากได้ความยากจกนความลำบากความทุกข์เราไม่ต้องการแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยากจะขับไล่สส่งใจเราเนี่ยถูกสารพิษคอรอบงำแล้วบาทีอาจจะเกิดความท้อแท้ เศร้าหมองซึมเศร้าอันนี้ก็ถือเป็นสารพิษที่เข้าสู่จิตใจของเราบางทีอาจจะวิตกกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ไม่มั่นใจตัวเองไม่มีความแน่ใจไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆกลัวร่วงหน้าอันนี้ก็คือสารพิษที่เกิดจากความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจของเรา ของแสลงที่เกิดจากสารที่ก็มีมากมายยกสักข้อหนึ่งก็คือความไม่ได้ดังใจความไม่ได้ดังใจนี่ยนะอ้อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่ไม่ได้ดังใจเราอันนี้เป็นของแสดงเกิดขึ้นในะจิตใจเราบๆอันที่จริงนี่มันก็คือสารคิดนั่นเองสารคิดเกิดจากความคิดทำให้จิตใจเราต้องเป็นทุกข์ทุกข์ในด้านร่างกายนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แต่ที่เป็นปัญหามากก็เพราะทุกประด้านจิตใจจิตใจเนี่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนี้เป็นของเราความโลภ ค, ความโกรธความหวงนี่เป็นของเรายึดติดยึดมั่นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเพราะขาดสติขาดปัญญาใจมันต้องเป็นทุกข์ในหลักษานคิดที่จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราจะรู้สติบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เอง ทำให้เรารู้จักตัวเราเป็นการศึกษาชีวิตเลยนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราเนี่ยเป็นตำรามาสอนให้เรารู้จักตัวเราเราจะรจักแก้ปัญหาตัวเราเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นว่ากิเลสของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนมากน้อยแค่ไหนเรามีสติมากน้อยแค่ไหนหวั่นไหวไหมเวลามีอารมณ์มากกระทบ เป็นการสอบอารมณ์ตัวเราด้วยซึงตรงนี้แหละเป็นประโยชน์ดีแล้วที่มันเกิดขึ้นจิตจะได้คายสารพิษออกมาคายออกมาทางด น, นจิตใจนะมันจะได้หมดจิตหมดใจสติเนี่ยทำหน้าที่เปิดประตูจิตปล่อย้อารมณ์มันออกมาทางจิตใจสะบ้างจิตจะได้ไม่เครือบไม่หงุดหงิดคือปล่อยมาทางใจนะอย่าให้ร่วงออกมาทางกายทางวาจา ถปล่อยสารพิษผ่านไปทางกายทางวาจาแลาจะเดือดร้อนถ้าก็ว่าเราคายสารพิษกับคนรอบตัวเราท่านผฟังเคยโดยไหมเดินสารพิษจากคนข้างๆตัวเราหยุดใจเรากรดใจเรามีความทุกข์ความเครียดใส่เราโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยตะโดนสารพิษของเขาพ่นมาใส่ตัวเราอาจมาจากคําพูดหรือการกระทําก็ได้นั่นเพราะเขาขาดสติ เขาจึงคายสารพิษที่เกิดขึ้นจากจิตใจและล่วงออกมาทางกายทางวาจามากกระทบกับเราเข้าแต่ไม่เป็นไรโดนสารพิษอย่าตกใจตั้งสติให้ได้สตินี่เราเป็นเครื่องป้องกันสารพิษที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสตินี่แหละเป็นโล่ป้องกันตั้งสติให้ได้รู้ให้ทังสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราื่อทีเราอาจจะเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะ ให้เรารู้ทันรู้ว่าเราเนี่ไม่พอใจแล้วมึนหงิดแล้วจะแปลว่าเรามีสติแล้วเรารู้ทันตัวเราแล้วรู้ทันจิตใจของเราบางท่านนี่เคยมาเลอยฟังว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสติไม่ค่อยเกิดแต่มันมีความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมากอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถูกอยู่แต่บางคนนี่แปลกกว่านั้นเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยคิดอะไร ไม่ค่อยมีการตรุงแต่งไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรมากมายแต่เพราะว่าปฏิบัติธรรมเขาเนี่ยโอ้ทาไมความคิดมันรุนแรงความม่วงก็เยอะความขี้เกียจความท้อแท้ดูสติไม่ค่อยเกิดเลยสองอาการนี่กลับกันอันที่จริงเนี่ยเวลาเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเจริญสติเป็นคนที่ขาดสติอยู่ในชีวิตประจําวั น, นมันก็มีอยู่แล้วนะมีความคิดความม่วงมีสารพัดแต่เราขาดสติ เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมเราจึงคิดว่ามันไม่มีอะไรมันสบายสบายแต่เวลาที่เราไปเจริญสติอาจจะไปเริ่มปฏิบัติที่ไหนก็ได้หรือเริ่มฝึก ท, ที่บ้านก็ได้ในที่ต่างๆที่เราเคยไปฝึกที่ไม่ใช่ที่ปฏิบัติก็ได้เพราะสติมันเกิดนี่เราจะเห็นว่าโอ้โหนี่ชีวิตของเราเนี่ยมีหลายฉากมีหลายอย่างเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลั ว, เ ด, วลดเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเบื่อโอสารพัดอย่างเราเริ่มรู้จักตัวเราแล้ว เพราะเรามีสติเราจึงเห็นอาการเหล่านั้นเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราขาดสติเราไม่รู้แต่พอเราเริ่มมีสติเนี่ยเราเริ่มเข้าใจตัวเองไม่เป็นไรดีแล้วแต่ก็ว่าเรามีสติแล้วถ้าไม่มีสติเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอย่างไรเพราะเรามีสติมันจึงรู้ทันว่าอ๋อนี่เราหลงนะเราโกรธนะทําไมมันจึงได้วุ่นวายอย่างนี้เฉยๆถือว่าเป็นส่วนดีแล้วไม่เป็นไรให้แสดงตัวออกมาเราจะได้มีสติคอยทู้เอาไว้ ในแต่ละวันเนี่ยว่าเราเป็นอย่างไรการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปห้ามอะไรให้รู้เฉยๆตั้งสติรู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆว่างๆแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อปรากฏการเกิดขึ้นบางอย่างเราต้องรู้และก็ต้องช่วยแก้ไขนะต้องเข้าไปทําหน้าที่อย่างเช่นความเจ็บไข้ได้ดป่วยที่เกิดขึ้นทางร่างกายเมื่อมันแสดงากกาออกมา เราต้องมีสติแล้วต้องช่วยเขาแก้ไขบ้างเขาเปรียบเสมือนคนป่วยคนไข้สติเปรียบเสมือนนางพยาบาลคอยดูแลเท่าที่เราจะทำได้บางอย่างต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติโดยหน้าที่เรามีหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกก็ต้องทำตามหน้าที่อย่าปล่อยประละเลยแต่ต้องทําหน้าที่ด้วยสติแต่บางอย่างนี่มันเกิดขึ้นจากความคิดเกิดจากสารพิษเกิดจากสารคิด ที่มันสิงอยู่ในจิตใจเนี่ยอย่าง mm. เช่นความโกรธความไม่พอใจความเบื่ออื่นอัดขัดเทือนเนี่ยมันแสดงตัวออกมาแล้วเราต้องตั้งสติให้ได้รู้ให้ทันในอาการเหล่านั้นรู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรรู้แบบปล่อยๆวางๆเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะดับไปเองสำคัญที่ว่าเราต้องรู้แบบเป็นกลางๆนะอย่าไปบังคับอย่าไปขับไล่รู้แบบเฉียงเลีงรู แ อ, แอบดูไอ้ความสึก ข, ของเราเนี่ยด้ยใจเป็นกลางๆเย็นเยนระวังนะอย่าไปรับมุกกับอาการเหล่านั้นเวลามันเกิดความโลภเราก็ทําตามแสดงว่าเรารับมุกแล้วรับมุกอารมณ์รับมุกความคิดนะเวลามันเกิดความโกรธนีาไปโกรธด้วยเนี่ยเราไปรับมุกเขาแสดงตัวความโกรธมาเราเห็นทางด้านจิตใจเรารู้ไว้เฉออย่าไปรับมุก แล้วก็มาตกไปขับไล่สายส่งเขารู้เฉยๆแบบยิ้มยิ้มรู้แบบยิ้มยิ้มเนี่ยโอ้โนี่ยมันโครเลคั่วเลยนะความโกรธไม่ยิ้มนะแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวยิ้มใสอารมณ์อารมณ์ ม, มันก็จะเกอ้อเขินเหมือนกันนะมันก็จะดับไปให้เราถือซสีว่าการตบมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังเราปล่อยให้กิเลสเขาตบมือเขาข้างเดียวเราก็ดูแบบยิ้มยิ้มเนี่ยนะมันไม่ดัง แล้วอารมณ์ต่าง ๆ, างๆกิเลสต่างๆก็จะเก้อเขินแล้วก็จะดับไปเองเนี่ยสาคัญมากเพื่อให้เราฝึกจริตสติบ่อยๆในแต่ละวันทําำเลื่อนนึกขึ้นได้ก็ทําถ้ามันเผลอมันลืมก็ปล่อยมันไปดีแลที่มันเผลอมันลืมเราจะได้แก้ปัญหาที่จะไม่หลงไม่ลืมทาบ่อยๆจนเคยชินเป็นอุปนิสั ย, ยมันจะเกิดความเคยชินโดยอัตโนมัติสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ มันยากที่จะหลงหรือสติมันจะง่ายที่จะมีสติอยู่นเนืองๆเนืองๆทําให้เป็นจริตนิสัยของเราเลยคือการฝึกสติเนี่ยจิตเมื่อโดนสติสอนบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะเข็ดหลากมันจะจําสภาวะไว้ได้จําอาการการมีสติได้คือจําสติได้นั่นเองอ๋อการมีสติเป็นอย่างนี้เองทุกครั้งที่มีสติเนี่ยจิตมันจะเบิกบานจิตมันจะสบายใช่ไหม จิตมันก็ชอบความสบายเหมือนกันนะจิตจะจำได้กับอาการเหล่านี้แต่ทุกครั้งที่จิตเราหลงลืมสติจิตมันจะหนักมันจะเป็นทุกข์มันจะเผลอคิดปรุงแต่งมากมายจิตมันก็ไม่ชอบ แ, แต่มันออกไม่เป็นออกจากอารมณ์ออกจากความคิดไม่เป็นแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เนืองเนืองฝึกบ่อยๆเหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็มหนึ่งจิตมันจะจำได้จาสภาพของสติได้ ก็จะมีสติบ่อยๆโดยอัตโนมัติอุปมาคล้ายๆกับว่าเราเดินเข้าบ้านเราเดินเข้าเดินออกบ่อยๆเช้าเดินออกจากบ้านเย็นเดินเข้าบ้านเดินบ่อยๆเราก็จําบ้านเราได้หลัตาเดินก็ได้เข้าบ้านโดยอัตโนมัติเลยเปิดประตูรั้วเข้ามาในบ้านแล้วเปิดประตูบ้านโดยอัตโนมัติเราจะไปที่ไหนลองทบทวนสิทุกครั้งที่เราเข้าบ้านเนี่ยเราจะไปที่ไหนโดยอัตโนมัติ พอเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็เดินดิ่งตรงไปที่ตู้เย็นเลยทําไมเราจะเป็นอย่างนั้นทําไมเราจึงต้องเดินดิ่งตรงไปที่ตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นบางทีเปิดแล้วก็ปิดนะไม่มีอะไรนะแต่ขอให้เปิดสักหน่อยยนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเป็นอัตโนมัติทําด้วยความเคยชินจึงต้องเดินเข้าบ้านแล้วต้องไปเปิดตู้เย็นทุกครั้งทุกคราการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราทำบ่อยๆทนึงเมืองททำเป็นอุปนิสัยเนี่ยจิต มันก็จะมีสติเองโดยอัตโนมัติต่อไปเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากครับเราสร้างเขาแล้วเขาจะทำหน้าที่ของเราเอง